ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชชาเรื่องคนสร้างงานงานสร้างคนโดยพระท่านโภติรักเมื่อวันที่26ตุลาคม2540ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านจิตาทฝั่งได้นะบัด น, นี้ อัตมาก็อธิบายให้ฟังเรื่องของคนนะคนกับงานเนี่ยคนกับงานเนี่ยเป็นตัวที่จะล้างกิเลสได้มาเพราะฉะนั้นมรรคของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมอัตมาสรุปธรรมะมาให้ฟังหมดแล้วสรุปมาหลายทีบางคนก็อาจจะนานๆมาฟังทำก็อาจจะไม่ได้ฟังนะเพราะว่าบางทีอัตมาก็ไม่ได้มาเทศเรื่องกรรมกันตลอดเวลา กเรื่องกรรมกันนานาเททีอาตมากําลังขยายเรื่องของกรรมเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าก็ไม่ใช่กรรมอย่างเดียวหรอกมันจะมีองค์องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์กับพลังงานทั้งหลายแหล่พลังงานของมนุษย์นะพลังงานของมนุษย์กับกรรมมันอยู่ด้วยกัน แล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานขึ้นอยู่กับกรรมรวมหมดแล้วนี่ในพลังงานทั้งหลายทั้งมวลในมหาเอกภพนี้เนี่ยมันก็มีนิยามไว้ได้ถ้านิยามเอาไว้พลังงานมันจะมีความเป็นสภาพที่ระบุนิยามลงไปได้จาก พลังงานในรอบแต่ละรอบแต่ละคุณค่ารอบหนึ่งเนี่ยเราเรียกพลังงานนั้นว่าอุตตุคุณค่าของมันเป็นแค่อุตตุอีกรอบหนึ่งก็เรียกว่าพีชะพลังงานเนี่ยคุณภาพของพลังงานมันมันพัฒนาขึ้นมามันได้ระดับหนึ่งเรียกว่าพีชะสูงขึ้นมาอีกลึกซึ้งขึ้นไปอีกเรียกว่าจิตตะจิตพลังงาน นี่ชายรอบแรกมันพลังงานระดับหนึ่งเรียกว่าอุตตุกพลังงานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าพีชะอีกระดับหนึ่งเรียกว่าจิตตะอีกระดับหนึ่งเรียกว่ากรรมอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะมีห้านิยามหนิยาม หานิยามเนี่ยคือกาหนดจำกัดให้ให้รู้คุณลักษณะของมันแล้วก็จะมีขอบเขตของมันมีขอบเขตของมันได้อย่างนี้แหละมันมันไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็มันก็ไเกินขีดนี้ขึ้นไปอีกเช่นว่าอุตุนี้เป็นต้นมีพลังงานเป็นพลังงานทั้งหลายแหละ พลังงานเหล่านี้จะให้มีพลังงานมากขนาดในวิเศษขนาดในเช่นว่าเป็นพลังงานแห่งมหาพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้ น, นต่อให้มีพลังงานใหญ่มากมายมหาศาลอย่างนั้นก็เรียกว่าพลังงานอุตตรไม่มีความสามารถเป็นไม่ไม่นับเนื่องเป็นสาเป็นพลังงานที่ชื่อว่าชีวะระดับชีวพีชะ เรีกว่าชีว ะ, ะพลังงานที่ขึ้นมาถึงขั้นพีชะนี่เป็นเป็น ช, ชีวะแล้วพอมาถึงจิตตะก็เป็นชีวะอีกแต่พลังงานระดับพีชะเนี่ยก็อยู่ในรอบของพีชะเช่นพืชพวกพืชพลังงานพืชทั้งหลายแหล่นี่อ่าปฏิจจาวัต่าเป็นพลังงานระดับของ อนุ ป, ปาทินกะสังขารสังขารที่ยังไม่มีวิญญาณครองไม่เรียกชีวะนี้ว่าวิญญาณไม่เรียกชีวะนี้ว่าวิญญาณคนมนุษย์พืชเนี่ยวิญญาณไม่มีละอันนี้เนี่ยทำให้หมอนี่อาตมาว่าได้ไขความอันนี้ให้แพทย์นี่สบายใจขึ้นเยอะเลยหรือแม่แต่พ่อแม่พี่น้องลูกลูกห ล, ลานๆก็เหมือนกันเออพ่อแม่เราเนี่ยชีวะมันสมัยนี้ไอการแพทย์มันชะลอชีวิตไว้ได้ ชะลอชีวิตไปจนกระกทั่งมันหมดแล้ววิ ญ, ญญาณไม่เหลือแล้วแต่ว่ายังเหลือร่างกายที่ยังมีชีวะแต่อยู่ในระดับพืชเป็นมนุษย์พืชภาษาเราก็เรียกถูกนะเป็นมนุษย์พืชแล้วไม่รับรู้สึกไม่มีเวทนาสัญญาสังขารแล้วเจตสิกไม่มีทางานแล้ววิญญาณไม่ไม่ถึงระดับวิญญาณลพลังงานไม่ถึงระดับจิตไม่ถึงระดับวิญญาณล้ เพราะฉะนั้นถ้าหมอจะตัดสินใจว่าเอ๊ะอย่างนี้จะถอดสายได้ยังนี่นะถ้าไม่ถอดสายมันก็ยังเป็นชีวะอยู่ใช่ไหมเลี้ยงอาหารเลี้ยงอากาศอะไรอยู่มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าถอดสายไม่ได้อาหารไม่ได้อากาศชีวะนี่ก็ตายมนุษย์พืชหรือพืชนี่ก็สิ้นชีวิตไม่ได้รับสิ่งเลี้ยงเลี้ยงสิ่งนี่มันก็พืชเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ก็แค่พืช มันมันก็ไม่บาปอะไรนักนาแล้วถือว่าไม่บาปนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้อันนี้มันลึกซึ้งนะอัตมามาเจอในหลักฐานคําสอนพระเจ้าได้เจออุตตุพีชะกิตกรรมธรรมะและกรรมนี่เขต้องมีเจตนาประกอบสัตว์โลกไม่ค่อยเข้าใจนเรื่องเจตนาไปถือบาปถือกรรมอะไรมันก็ไม่ได้งูมันจะกินเขียดอะไรก็ไปถือว่าบาปมันไม่ได้อางไยังไง นะมันไม่ได้หรอกมันไม่ให้งูมันไม่กินเขียดก็คุณจะเอาอะไรล่ะคุณจะเอาผักกะทินไม่ให้งูมันกินเนะมันจะไปกินได้ไงเสือไม่ให้มันกินกวางไม่ให้มันกินเจ้งไม่ให้มันกินสัตว์ได้ไงมันเป็นเรื่องของมันอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเห็นงูกินเขียดแล้วเราไปตีงูบาปนะไปตีงูไม่ให้มันกินเขียดเพราะว่าเราจะทําบุญเราทาบาปต่างหากแล้วก็งูมันต้องกินเขียดนะ คุณไม่ให้มันกินเขียวหรือคุณเอาอะไรไปป้อนมันอ่ะคุณเอาอะไรไปแทนนะไม่ให้มันกินสัตว์คุณเอาอะไรไปแทนแทนไม่ถูกนี่เป็นต้นเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่าไปไอ้พวกนี้อาตมาไม่ได้เจตนาจะเล่าเรื่องนี้วันนี้ะจะบรรยายกันในงานปลึกเสกนะใครจะสนใจจะเป็นเป็นเรื่องของพลังงานที่ยิ่งประกอบไปถึงกรรมเนี่ยประกอบด้วยเจตนาเจตสิกนะ ไปถึงกรรมแล้วนี่ต้องมีภูมิไปถึงอริยะจึงจะเข้าใจธรรมะไงหไหมมาขึ้นไปถึงอีกธรรมะแยกเป็นโล ก, กุตระกับโลกียธรรมอีกเพราะฉะนั้นในพลังงานของคนโดยเฉพาะพลังงานความคิดพลังงานปัญญาพลังงานของมนุษย์พลังงานของสัตว์โลกในระดับคนระดับมนุษย์เป็นพลังงานในระดับที่เป็นปัญญาเข้าใจธรรมะแยกธรรมะระดับโล ก, กุตร ะ, โล ก, กระโลกียะออกจริ นต้นกุศลโลกียะกุศลโลกุตระนะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนี่เป็นพลังงานทำงานทั้งนั้นเลยละเอียดนะวิเศษมากเลยมเจอจุดนี้อาตมาได้อุทเทศอันนี้เอามาขยายความยกหัวข้อขึ้นแสดงนี่โอ้ธรรมะของชาวอโศกเรานี่จะไปไกลอาตมาคงจะต้องขยายความในเรื่องอุตตพีชะกิตตะ กรรมธรรมะนี่ไปอีกนานพอสมควรในหนังสือเราคิดอะไรตอนนี้ยังอธิบายอยู่อยู่ในตอนคำว่ากรรมกรรมนี่แหละมันเยอะอาจมาเราจะตัดตอนระหว่างแค่กรรมเท่านั้นนะมันเน้นช่วงนี้พุทธาบิเศษบุกเสกนี้จะเน้นเอาแต่ช่วงกรรมให้เข้าใจกรรมไม่สําคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ที่กรรมเท่านั้นนะกรรมนี่เป็นสําคัญมากเลยกรรมก็คือการงาน กรรมก็คือการกระทำํำเราก็ทํากันมาทุกวันนี้ในเราฝึกกรรมฝึกกรรมหรือฝึกการงานค น, เ, นเราถึงจะเข้าใจการงานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เข้าใจการงานแต่เขาก็ทํางานนะไม่ใช่าสัตว์เดรัจฉานไม่ทํางานงานออกไปหากินตื่นเช้ามานกมันก็ออกบินแล้ว หรือว่าสัตว์ได้เวลาออกหากินมันก็ต้องทํางานมันมันมีเวลาตารางสอนมันมีกิจวัตรงานหลักของมันนะนกเขาแมวมันถึงเวลามันก็ออกหากินเวลาของมันนะงูเงี้นี่เขาบอกเลยงูนี่ชนิดนี้ประเภทนี้งูก็หากินกับคนเรเวลาเหมือนกันนะออกเวลานี้มันออกหากินไม่ใช่เวลามันก็ไม่ออกหากินมันซื่อตรงนะมันซื่อสัตว์มันก็ทำของมันเป็นสัญชาตญาณ เป็นสัญชาตยานเลยนะตระกูลไหนอะไรๆมัไม่ไปผิดนะแต่มนุษย์ที่เบี้ยวมากเลยมนุษย์นี่มีมนุษย์หากินกลางคืนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงถ้าทำไม่ได้สัตว์หากินกลางคืนเลยมนุษย์นี่เป็นสัตว์หากินกลางวันตานี่ยังคืนมาในสู้สัตว์หลายประเภทไม่ได้หรอกสัตว์หลายประเภทตาใช้กลางคืนได้เก่งมาก หรือแม้แต่กลางวันก็ใช้ได้ด้วยกลางคืนก็ใช้ได้ดีด้วยสัตว์บางอย่างใช้ได้แต่สัตว์มนุษย์นี่กลางคืนละมืดเลยเใช้ไม่ได้หรอกเนอะมนุษย์นี่เป็นสัตว์หากินตรงวันกลางคืนเวลานอนพักผ่อนพระรู้จักท่านได้ตรัสว่าพวก ท, ที่เที่ยวกลางคืนนี่พวกที่ไปทำอะไรกลางคืนนี่มันคนละเรื่องมันคนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นเวลาควรพักควรผ่อนอ่ การงานของคนเนี่ยมันทําให้คนได้ตัดกิเลส <c oughs> เพราะนั้นการงานก็ดีการกำหนดกาละก็ดีกรรมกับการนธรรมาก็เคยเทศมาแล้วที่จริงจะต้องเทศที่จริงก็เทศเกี่ยวกับคำว่ากรรมกับการนี่มากนะมากเราจเจริญมาได้เพราะเราใช้การใช้เวลาทุกคนมีเวลาทุกคน ได้เวลามาฟรีไม่ใช่มันมีหรอกมันได้มามันก็อยู่กับการดำเนินไปกับการหายใจเข้าหายใจออกนี่คือการทั้งนั้นอ่ะกาละทั้งนั้นอ่ะก็ไปแต่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเรามีจิตวิญญาณเรามีตัวสํานึกตัวเรามีตัวรู้สึกเรามีตัวกําหนดเรามีเวทนาเรามีสัญญาเรามีสังขารสามเจตสิกตัวนี้เป็นเจตสิกหลัก ของเจตวิญญาณเดียวเป็นตัวบทบาทเป็นตัวการงานเป็นตัวรู้เป็นตัวทางานเป็นตัวที่จะต้องพิจารณาชัดถ้าใครวิเคราะห์ใครแยกอาการของเจตสิกสาอาการของเวทนาอาการของสัญญาอาการของสังขาร น, นี้ไม่ออกเราจะไม่ละเอียดละออนในการปฏิบัติธรรมเพราะนั้นปรมาทหรือว่าการยั่งรู้จิตปรมาทนี่ปรมาทก็คือ อ่านอาการของจิตออกอ่านรูปนามของจิตออกเรามียานอย่างรู้อาการในออาการตอนนี้จิตของเรามีมีความรู้สึกอย่างไรในเลวเวทนาเรากําลังคิดอะไรอะไรคือการกําหนดความคิดของเรากําหนดอย่างนั้นความคิดของเรากาลังกหนดอย่างนี้เรากาลังนึกอย่างนั้นเรากลังนึกอย่างนี้เนี่ยอะไรคือการการคิดกําหนดเรียกว่าสัญญา หรือแม้แต่จะ ย, ย้อนระลึกระลึกความจําระลึกไปรู้ที่เราเคยมีเคยเป็นก็เรียกว่าเราไปรู้ความจําเราไปรู้สัญญาไปกําหนดไอ้ตัวความอดีตความเป็นอดีตกับความเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเลยปัจจุบันไปแล้วก็ไปคิดอะไรต่ออนาคตนี่มันจะเป็นสังขาร อนาคตนี่มันจะเป็นสังขารโดยการกระตุ้นจากความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นรถของชีวิตรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกอะไรกันแล้วแต่ละมันจะมีอาการอย่างชอบใจ ปรุงเข้าหรือว่ามีอะไรแรงเข้าก็เป็นอาการของกินเลทเราถือว่าเป็นตัวเป็นตัวบทบาทตรงนี้รู้สึกไม่ชอบใจเท่านั้นไม่พอรู้สึกอยากตบมันก็สูงขึ้นแล้วไม่ชอบใจเฉยๆมันก็ขนาดหนึ่งใช่ไงนี่มันถึงขั้นมันหมามันมีอะไรเข้าไปปรุงเข้าไปผสมส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันเราสัมผัสคนคนนี้ เป็นเหตุทางตาเป็นเหตุทางนอกพอสมพัมผัสเข้าแล้วมีกรรมกิริยามีอะไรก็แล้วแต่คนนั้นจะทำออกมา mm. เช่นเขาทำอาการอย่างหนึ่งแม่เราไม่ชอบใจมากเลยไม่ชอบใจถึงขนาดคันมืออยากตบคุณก็ปรุงแหละเป็นอนาคตนะเกิดเองเลยเกิดไ ม, ไม่ใช่เกิดเองเราเกิดจากกิเลสของคุณนั่นแหละมันปรุงใหญ่เลย คนที่มีเจตฤกตหรืรอว่ามีกิเลสอย่างนี้อยู่มากเร็วโอ้โหอยากตบเร็วเลยนะ ด, ดีไม่ดีพระฉจอยากตบเร็วนะตบเลยสั่งแล้วสัตดแล้วพัวแล้วโอ้โหกรรมกิริยาไปจากไอตัวปรุงนี่แหละไอตัวกิเลสตัวนี้เข้าไปธรรมดามันไม่ใช่มันไม่ไมไมไมไมไธรรมดาแล้วมันเป็นเล่นละ ถ้าเราเข้าใจอาการของจิตเนี่ยมันไอเวทนานี่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันเสมอพอทันเวทนารู้สึกพับแล้วเนี่ยเอาสัญญามาร่วมพอมาร่วมสัญญากําหนดรู้กับไปแล้วก็เอาอาดีตเข้ามายิ่งเป็นศัตรูคู่รู้สึกคู่อตาาเก่าเป็นอดีตแล้ว ไม่ท่านบอกหรือว่าอดีตมันทำงานเลยนะไอ้สัญญานี่เราไม่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่รู้ตัวอดีตสัญญาที่มันจองเวรจองกรรมเป็นคั่วคาดมาแล้วเนี่ยมันเข้ามาร่วมทำงานเลยสัญญาเข้ามาร่วมทำงานกับรู้สึกสัมผัสไอนี่ไอโกอเมือนะเรียกนายกอมันเบาไปไอ้กอพอสัมผัสปั๊บรู้สึก สัญญาเก่าว่าไอนี้มันคั่าคาดเก่ามันเคยทําความเจ็บแค้นมาเก่ากับกูมันขึ้นมาปั๊บเลยสัญญามันขึ้นมาปั๊บปรุงปั๊บอนาคตสังขารปรุงเลยต้องแก้แค้นตบเตะแก้แค้นอะไรได้แล้วอะไรดาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็บอกคู่นี้แก้แค้นหนักแก้แค้นเบาได้จะทําได้ไม่ทําได้อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เกิดจะมาร่วมปรุงกันทันทีเลยเพราะ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะทํางานร่วมกันเสมอถ้าเราไม่รู้อาการเหล่านี้ชัดเราก็แบ่งไม่ออกถ้ารู้ชัดแบ่งออกแล้วเราก็จะกําหนดไปชัดชัดชัดหมดเลยตั้งแต่เริ่มรู้สึกพระพุทธเจ้าถึงให้กําหนดตั้งที่ตัวรู้สึกเพราะว่าดักไปหมดเลยพอดักที่รู้สึกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเร็วบอกแล้วสำนึกก็จะมาไอ้รู้สึกอะไรตัวสัญญาก็จะมาเร็วนอกจากสัญญาเนี่สัญญาคือมีตัวอดีตทั้งหมดมา อนาคตก็จะปรุงเป็นสังขารเข้ามาอีกเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นดักที่รู้สึกนี่ไว้ทั้งหมดเลยดักคุณก็จะาฟังที่อาตมาเข้าใจคุณก็จะรู้ว่าเออไอนี้เอา อ, อดีตมาแลวเว้ยไอนี้มันกำลังจะปรุงอนาคตอีกด้วยแล้วเว้ยใส่เข้าไปเลยจึงเรียกว่าเป็นเวทนาที่มีทั้งอดีตร้อยแมีทั้งอนาคตร้อยนี่ขยายความเวทนาร้อยแขึ้นเราได้ฟัง เวทนาร้อมาอดีตถ้าเมื่อ บ, บวกอดีตด้วยบวกปัจจุบันด้วยแล้วก็บวกอนาคตด้วยอีก36 36 36หสามสิบหมกสู่นี่รวมขเข้าจะเป็นร8อยแนี่เราเรียนเวทนามาถึงร้อแล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเอียดมันจะเข้าไปอย่างนี้เลยนั่นสัญญาไม่เป็สัญญาเวทเอ้เจตสิกสนี่เป็นตัวหลักของการปฏิบัติธรรมเลยใครอ่านคนคืออะไรดีๆแต่ คนคืออะไรไม่ได้แจกแกงมาถึงเวทนาร้อยปดูเหมือนเขียนเติมเ พ, พ, พิ่มพลาดเพียงไปถึงร้อยแบ้างดูเหมือนอธิมารไม่แน่ใจใครอ่านและใครจำได้มงังไม่รู้อ่าบีผ่านเท่านั้นแต่ไม่ได้ขยายความอย่างที่ขยายให้ฟังนี้มากมายหรอกกนะ็ค่อยๆฟังว่าจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเสมอๆ เ, เพราะว่าตำนานนั้นก็ไม่จะจบแค่นั้นอันอื่นมันก็จะขยายความรายละเอียดไปอีกเยอะเพราะคนเราถ้าเผื่อว่ารู้เจ้าพลังงานของเจ ได้ทั้งงเจตสิกสนี่พลังงานเขาเวทนามันเป็นบทบาทนี้แหละเรามีความรู้กุศลอกุศลรู้จักมิจฉาสมารู้จักอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปผนวกบริเวรเรื่องของธรรมะ เ, เรียนมาแล้วมันก็จะไปจัดแจงเปลี่ยนแปลงเป็นมิจฉาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมันจะเปลนแปลเป็นมิจฉาคอไปเปลี่ยนแปลงเป็นสมามาจากมิจฉานี่สังกะปะความนึกความคิดความอะไรความปรุงความแต่งอะไรมันจะเกิดจากเจตสิกสมเนี่ยมันสังกะปะนี่ยเกิดจากเจตสิกส สังกัปปะเนี่ยมีบทบาทของเจตสิกษามในทำงานเพราะเราวิจัยได้เลยวิเคราะห์ออกมาได้เพราะมันบทเกิดจริงเป็นจริงที่จิตเราเป็นมิจฉาเมื่อไหร่ถ้าเรายึดดักสเจตสิกให้ชัดเราก็จะยิ่งจับมันมั่นมันแม่ น, ม น, ม น, มนอาการต่างๆแล้วเราก็จัดการกับมันเพราะไอเจ้าอดีตสัญญาเนี่ยราเป็นตัวเหตุไปจองเวรจองกรรมกันอยู่ไอคนนีไ้ไอคู่อาฆาตกับเถะ บางคนจิตมันปักมั่นเรื่องบอกว่าคู่อาฆานี่ไม่ยอมวางง่ายๆแต่เรื่องคู่รักนี่วางง่ายนี่ราคากระทศัพต์ตัดเลิกวางเราจะจุดจะจ้างกับเรื่องราคาเรื่องคู่รักเออวางง่ายบางคนนิจริทธ์ถ้าเผื่อว่ากรทศัพจริทธนี่ก็จะวางกรรมมาชัดอะไรจริตตามราคะจริทธได้ง่ายส่วนสายราคาจริทก็จะวางกรทศัพจริทธได้ง่ายมันก็ตัวใครตัวมั น, นเรียกว่า บ้าใครบ้ามันบ้ารักก็ยึดรักบ้าขี้โกรธบ้าบาขี้อาขาดเขียดแขนแก่แขนนะ ก, ก็ก็เป็นพวกบา้บาบ้าบนะูบ้ารักกับบ้าบูนะนะก็อย่างนั้นจริงๆเนี่ยมนุษย์สิ่งเหล่านี้พลังงานทั้งนั้นแล้วมันก็มาทำให้เราเนี่ย เอาพลังงานนี่มาก่ะกรรมมาก่อกรรมเห็นหมมากาออกมาเป็นกายกรรมมาประกอบเป็นวัจีกกรรมมาโนกรรมเป็นประธานนมเพราะถ้าใดใครดักเรียนรู้สังกัปปะนี่เป็นตัวหลักเลยเพราะองค์ธรรมของสังกัปปะจึงมีมากสังกัปปะมีองค์ธรรมเท่าไหร่เจ็ดใช่องค์ธรรมเจ็ดตักกะวิต ก, กะสังกัปปะ อัปปนาพยปนาเจตสโภพินิโรปนาวจีสังคารานี่องค์ธรรมเจ็แล้วลีลาอาการของมันอย่างรู้รูปนามนะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ในระดับของประมัสตเนี่ยเรารู้อย่างรู้อ า, าการมันออกมีติระปริญญาวิจัยวิเคราะห์หรือมีธรรมวิจัยสัมโพธชงวิจัยประมัสตรพวกนี้ออกได้ดีเสมอฝึกไปสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยแล้วก็เกิดนะอัตมาได้รับคาถามจาก แม้แต่ในสมณะทำงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมพอไปทำงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ประโยชน์ตนได้แต่ประโยชน์ท่านทำงานก็คือประโยชน์ท่านมันต้องไม่ทำงานถึงจะได้ประโยชน์ตนธรรมาก็ว่าเอ๊ะมันยิ่งทำงานสิมันยิ่งได้ประโยชน์ตนเพราะว่ามันมีปัจจัยเป็นปัจจัยยิ่งดี แต่นั่นแหละมันก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่อีกว่าแล้วจะยังไงล่ะคนไปทํางานมันก็ไม่รู้ทันมันไม่ทันอ่ะมันจับจิตไม่ได้ทํำคำกริยาก็ประมาณไม่ได้กันมั่วเลยก็ทํำแต่งานเลยจับจิตไม่ทันตัดกิเลสไม่เป็นเลยมันก็ใช่ถ้ามันยังไม่คล่องถึงขนาดนั้นงานนี้มันโอ้โหมันร้อนมันแรงมันจัดมันจ้านมันมากมันมายมันอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเอาพลังงานส่วนหนึ่งไปจดจ่อไปเพ่งไป อยู่กับสมาธิพลังงานนี่ไปทํากับสมาธิการงานข้างนอกเนี่ยจนกระทั่งผัดสะอะไรเป็นเครื่องลายตาอะไรต่างๆต่งๆตงตงๆงางยังไงแล้วเสร็จเราก็ไม่สามารถมีตีรณปริญญามีตัวที่เข้าไปวิเคราะห์หรือไม่มียาตปริญญาเข้าไปจัดการหรือเข้าไปอ่านหรือไม่มีทํวาวิจัยสัมโพชงวิจัยจิตวิญญาณไม่พออย่าว่าจะจิตวิญญาณไม่พอวิจัยกรรมกายกรรมวิจีกรรมของนตนเองก็ยังไม่ทัน นีอยู่กับงานงานนอกๆงานทำงานเนี่ยนะแล้วก็อะไรก็เกี่ยวกับ น, นอกทั้งวัตถุโอ้นี่เนี่ยขี้ดินขี้โครนขี้ของเขา น, น, นี่อะไรวัตถุเหตุปัจจัยของวัตถุรูปไปจัดจุดเอาพลังงานคิดนึกเอาอะไรไปทำจนวนจัดเกินไปจนไม่มีพลังงานพอไม่มีความสามารถประสิทธิภาพของเราเองเราทำไม่ไหว มันไปจดจอ่อจดจ้องจนกระทั่งอา่านอะไรไม่ออกเร็วด้วยแล้วก็มากด้วยแน่นอนคนก็ทำไม่ได้คนคน้คนไม่ได้ฝึกตือไปบอดเราจะต้องให้ประมาณนี้เร็วอย่าเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมาฝึกในหลายหมู่มาฝึกให้ช้าๆอย่าหัดเร็วแม้แต่จะจับเอ่อเอื้อมหนอให้รู้ ก, กรรมกริยาจับหนอ ยกหน อ, อรับหนอเปิดหน อ, อดื่มหนออะไรเนี่ยคือให้รู้กรรมกริยาไปหมดให้ให้ติดให้กําหนดจัดให้กําหนดชัดก็ใช่อนุบาลก็ใช่มันหนอเกินไปถ้าอันุบาลไปเรียนทางโน้นก่อนอย่าเพิ่งมาเรียนที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ชั้นอนุบาลที่นี่มันหนอหนอหน อ, อยังไม่ไหวแล้วไม่ทานการเราทุกวันนี้หนูไฟประเลกันไหม้ก้นแล้ว ถ้าหนอๆนอยู่ในไม่ไปไหนถึงไหนเลยแต่ก็ดีนะดีนะถ้าใครที่มันต้องอย่างนั้นเชื่อมช้ายอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ลาอาโศกไปเรียนต่อตักกศิลาหนอก่อนไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นคนไหนจะไปโคเอนก้าไปนั่งสมาธิโอ้โหดีจังเลยสอนมรรคองแปดสอนอะไรเลยอยู่ที่นี่เราตัดหมดเลยไม่ต้องยุ่งอะไรหมดเลย ก็ดีทีก็คุณเองคุณไม่มีอะไรมากมายคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากก็ตัดแล้วอะ่ะไม่ให้คิดไม่พูดไม่ทำไม่ให้อะไรัรงนั้นอะตามกําหนดเขาเลยนะเนาดูแต่จิตแตจิตมันก็ง่ายดีอาตมาก็โอเคจะไปฝึกก็ไปฝึกเธอให้เรียนรู้ออกมาอุปการะไม่มีปัญหาเรียนรู้ให้จับจิตเป็นให้รู้จักกรรมกิริยาให้เป็นหยุดเข้าไปบ้างก็ดีเหมือนกันอาตมาไม่มีเวลามาฝึกหยุดเพราะว่าอะไรมันจี้ก้นหมดเลยมีแต่พยายามพาทำแต่ส่วนใหญ่ มีอนุโมทนาสาธุบางองค์บางท่านช่วยอาตมาพาทำเจโตสมถะบางก็ดีพวกเราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เจโตสมถะประกาศแล้วประกาศอีกมีคนร้อยคนไปนั่งสักสองคนหคนอะไรนี่เสมอมัค่อยจะเอาใจใส่ก็ไม่ว่ากันอีกเหมือนกั น, นใครไปก็ไปใครเห็นว่ามันมีคุณค่าเป็นอุปการะก็เอามันต้องรู้หมดเลยว่าตัวเรามันควรจะ อ, อะไรอะไรบ้างฝึกอะไระอะไรบ้าง นคนที่ฝึกได้คล่องแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งก็ฝึกคล่องมาวระทันแล้วทุกวันนี้ประพฤัสสะเป็นปจัจจัยรับทันแล้วกําหนดเองได้ด้วยจะเอาเร็วเกินไปไหมเอามากเกินไปไหมมันมากเกินแล้วก็ไม่เอ า, เอาแค่นี้อาตมา ก, ก็บอกทํางานก็ทําอะไรมันมากเกินไปก็ไม่เอาละเอาเท่านีนา้มันเร็วเกินไปก็ให้รู้ตัวเองอย่าไปเร็วเกินไปนก็ช้าลงหน่อยสิแล้วไม่งั้นเราวิจัยไม่ทันตีรณปริญญามัน ตามวิเคราะห์วิจัยตามพิจารณาตามอ่านตามเอาอย่างรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในรู้นอ ก, ร, นอกรู้ในมันไม่สัมพันธ์กันมันไปรู้แต่นอกในมันไม่เข้าพลังงานไม่ไปรู้แต่นอกหมดพลังงานที่เราจะใช้นี่ประสิทธิภาพเรามีเท่านั้นเพราะจะให้อ่านในมันอ่านไม่ทันมันอ่านไม่ออกมาใช้นี่หมดเลยมันก็เลยวิจัยเลยตรกกะวิตกะสังกปะยังไงมันไม่รู้เรื่องแล้ว ดีไม่ดีอั ป, ปนาพยพ ป, ปนาไอจิตที่จะเข้มแข็งจิตที่จะสามารถยืนหยัดยืนยันในอารมณ์ในความมั่นคงแข็งแรงอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วมันก็อ่อนแอลงอ่อนแล อ, อนแลงมันก็ไปทั้งขบวนเพราะอาการประมาณมัชชิมาของแต่ละบุคคล น, นี่มันจึงสําคัญเท <c oughs> ตมากเกิดว่าพระท่านก็ถามสมณะแม่ทว่าจะไม่เรียกคําว่าพระอะไรจะเรียกแต่คำสมมนานมันคงใหม่แล้ว ตอนนี้เรามาเปลี่ยนนานๆเราต้องฝึกฝึกทั้งนอกทั้งในมันจะชำนาญอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจแล้วมันก็จะอะไรอะไได้จริงๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานและทำงานตามเหมาะตามควรมัชชิมาก็คือพอเหมาะของตนตนทำได้ขนาดนี้ได้ประโยชน์ขนาดนี้อันนี้มากไปแรงไปไปอยู่ในแวดวงนั้นงานบางอย่างมันโอ้โหมันรอบมันจัดมันมีมากมันมีอะไร เราไปทำแล้วเราไม่ได้แล้วเราก็เป็นทวนหน้าหรือรับผิดชอบด้วยเงี้ยเราปฏิบัติทําไม่ได้ปฏิบัติธรมมันก็เราไม่เราต้องรู้ตัวเรายอมรับว่าเออเราไม่เก่งนะอันนี้มันมากไปก็ประมาณเอาตัดเอาก ำ, ำหนดเอาเราจะเอาอย่างไงเราจะทำาไงมีวิธีการชานฉลาดยังไงว่าไม่เสียงานไม่เสียออการปฏิบัติธรรมนะ ถ้าคนไหนที่บอกว่าทํางานไม่ได้เลยต้องนางดูจิตดูใจนะั่นถึงจะทํางานได้เอาก็เอาก่อนคนนี้ก็แม่ก็คงเสื่องเสื่องไปเสื่องเสืงมาเนาะแต่พวกเรามันมันไม่ได้แล้วโลก ส, สมัยนี้สังคมสมัยนี้เนี่ยการกระทําของการงานมันก็มิจฉากันไปหมดแล้วมันก็ต้องเลี้ยงตนไปพึ่งข้างนอกเขาไม่ได้เราต้องพึ่งตนเองทุกคนต้องทํางานไปพร้อมสร้างรวงสร้างรังขึ้นทันทีด้วยอาตมาไม่ได้เกิดมาเป็น ลูกเจ้าสัวเลยทั้งปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ลูกเจ้าสัวอตมามาบวชนี่ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติทางบ้านมาเลยนะไม่ได้เอามาเลยเนะอตมาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมาจากทางบ้านเลยอย่าว่าแต่อตมาเลยพระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่เอามาส่วนตัวนะท่านไม่เอามาก็มาเอาบุญจากข้างนอกคือให้เขาได้ทําบุญถ้าเราเป็นเป็นปฏิฆาหผู้อันควรปฏิฆาหในระดับของ อ า, อาหุเนยบุคคลทักขินเนยบุกคลปาหุเนยบุคคลเป็นบุคคลผู้ควรได้รับของทานผู้ควรเคารพผู้ควรอะไรลนะ่ะนั่นแหละทักขินเนยได้รับของทานปาหุนเนยผู้ควรต้อนรับอันอาหุเนย์ยมุคคลผู้ควรบูชาอะไรเนี่ยนะ เราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆมีบุญบารมีมีคุณธรรมมีความพร้อมเงินอาตมาว่าอาตมาออกมาบวชมีความมีบุญขนาดนั้นอาตมาก็ไม่ต้องเอามาแต่คนไม่มีคุณไม่มีบุญคุณออกมาแล้วก็จะมาเอาของเขาเนี่ยวังมันมั น, มนบาปเลยนะคุณไม่มีบุญพอแล้วก็ไม่เอาของเรามาเลยนะมาแต่ตัวกับหัวใจแล้วก็ไม่เอาไม่เอาของเรามาเลยนะี่นะคุณก็มา มาเอาของเขามากไปเหมือนกันมันบาปเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดเตือนไว้ประเดี๋ยวจะเข้าใจมุมกลับว่าโอ้ oh, เอาอย่างพอท่านอย่านะเอาอย่างเลยบางทีมันไม่เหมือนอย่างนะ <c oughs> อาตมาอาตมามีบุญเก่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาหุนเนยบุคคลปาหุนเนยบุคคลทักขินเนยบุคคลจริงเพราะงั้นอาตมามาแต่ตัวได้เป็นมาเป็นปฏิขา6กคุณก็เป็นทายกคุณเองเป็นผู้ให้อาตมาเป็นผู้รับอาตมารับแล้วอาตมาก็ปฏิสักกะได้ เพราะอาตมารับแล้วอาตมาก็ไม่รับอาตมารับแล้วอาตมาต้องสลัดขึ้นอาตมาต้องไม่เสพอาตมาต้องไม่ดูต้อเป็นเราเป็นของเราไม่ไปแอบเอามาเป็นแบ่งส่วนเป็นของเราถ้าแอบแบบแอบแบ่งเป็นเราเป็นของเรามือนก็คือเราเอาไแหละเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องแต่ที่จริงอาตมาเอาพอได้เพราะอาตมามีบุญของอาตมาอยู่นะบ้างนะแต่ว่าอาตมาก็พยายามไม่คิดว่าชาตินี้อาตมาไม่ต้องมาเอาเงินของคุณ มาใช้บำเรอตนในส่วนใดๆไม่ต้องกดได้อัตมาก็สลัดคืนหมดได้อย่างนี้เป็นต้นเอาละอันนี้ก็อธิบายอะไรไปก็แทกซ้อนไปเรื่อยเลยมันอะไรมันก็น่าอธิบายไปหมดเลยมันลึกซึ้งมันไปหมดแล้วนะเห็นอะไรไปถึงตรงไหนไปได้ต่อจุดนั้นเจาะไปเลยดิวๆๆเลยได้ทุกแข่งมันก็เลยแหมมากเรื่องขณะนี้เราทํางานทําการงานจนกระทั่งถึงคําว่าอาชีพ อาชีพก็คือการงานคำว่าถึงขั้นคำว่าอาชีพก็คือหมายว่าการงานที่เป็นโลเป็นพายเป็นหลักเป็นฐานเป็นการงานที่สำคัญการงานที่ทำจบชั่วคราวเป็นอาชีพทาอาชีพนี้ประมาณสัก3าปีห้าปีก็ได้หรือว่าทำประมาณหนึ่งเดือนสองเดือน5เดือนทำกันจริงจังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่ไปยุ่งอะไร เป็นการงานหลักๆเรียกว่าอาชีพแล้วกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเราเอาจริงๆจังๆเลยเพราะฉะนั้นบางทีทําตลอดชีพอาชีพเนี่ยทำมันตลอดชีพเลยตลอดชีวิตเลยเพราะมันต้องรับผิดชอบอันนี้และเราก็ทําอันนี้ได้ดีเป็นบุญเป็นกุศลเป็นดีมานด้วยเป็นงานที่เป็น งานที่ต้องการของสังคมของหมู่ใหญ่ของส่วนรวมของส่วนกว้างเป็นประโยชน์คุณค่าต่อคนมากเป็นพระหุชนะหิตายะเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มวลมนุษยชาติต้องการเพราะมันเป็นคุณค่าประโยชน์สําหรับคนส่วนใหญ่จริงๆพหุชนะหิตายะจริงๆเราก็ทํารับผิดชอบเอาเลยมันยังไม่เฟอือยังไม่เกินยัง ม, มันต้องซัพพลายมันจะต้องอุปสงค์ อ, อุปทานมันต้องสร้างขึ้นใส่มันต้องกระทําขึ้นมาเพราะมันยังไม่ขาดแคลนพอ้ขอไปพูดสับไปเรื่อยเพราะมันยังไม่เฟอมันยังไม่เกิดมันยังขาดแคลนมันยังมีความต้องการอยู่อย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจมีปัญญาเข้าใจรู้โอ้อันนี้เราก็ทําเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยคนเราทุกวันนี้โลกก็พร่องโลกนี่มันพร่องโดวยวัตถุดิบ พร่องในทรัพยากรของธรรมชาติพร่องใยสิ่งที่เราคนจะกินจะใช้มันพลานไปจนจะไม่เหลือแล้วนะต้องสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ด้วยระบบวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต น, นี่มันจะต้องปรุงอาหารวิทยาศาสตร์มากินนะนะเออจางงั้นจริงๆนะถ้ามันไม่เข้าถ้าแล้วเนะี่ยมันจะปรุงอาหารวิทยาศาสตร์มากินมันพร่องไปจนจะหมดแล้วไอ้ของจะมาเอามาสร้างบ้านเรือนก็จะไม่มีต้องไปหาวัตถุ ด, ดิบมาเลสังเคราะห์เป็นโลเป็น พลาสติกเป็นซีพีวีซีเป็นอะไรก็ของวัตถุสมัยใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. มาใช้เสื้อผ้า mm hmm. ก็สังเคราะห์มาไม่ได้ใช้อย่างแต่ก่อนนะไม่ใช้จากพืชอย่างเดียวแล้วแต่ก่อนก็ใช้แต่แค่อย่างพืชนะเอามาสังเคราะห์มาทำเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ก็เอาอะไรไม่รู้ใหญ่ยยสังเคราะห์ต่างๆนี่มันทำอะไรพวกนี้เป็นต้น เนี่ยมันก็ต้องวิทยาศาสตร์มันต้องปรุงมาเสริมมาช่วยหมดแล้วแม้แต่อาหารเสริมในนี้อาหารเสริมก็ต้องแบ่งเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติกับอาหารเสริมจากวิทยาศาสตร์นะถ้าอาหารเสริมอย่างวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติแท้ก็ดีกว่าแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถึงกนานั้นก็ไม่ค่อยพอจากธรรมชาติไม่ค่อยพอแล้ว สรุปแล้วก็คือทุกวันนี้ยิ่งไม่ทํางานไม่ได้เพราะวัตถุดิบทรัพยากรอะไรมันไม่พอเอาละเมื่อเรามาปฏิบัติทําแล้วเราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยพอจริงๆแล้วอาตมาว่าอาตมาคุมตัวรักพึ่งตนเองได่งานอาตมาทํางานเนี่ยอาตมาว่าอาตมาทํางานแล้วก็พอเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตน เ, เพราะอาตมาไม่ต้องเอาเอาเฟอรเอาเกินไปจะต้องไป ซื้ออนโน้นมาบำเบลอซื้ออันนี้มาบำเบลอเรากินรู้จักสาระเป็นปัจจัยแห่งชีวิตน้อยแล้วจริงๆถ้าส่วนตัวจริงๆเลยไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยนะอาตมาไม่ต้องมีบ้านนอนดินกับคนไมน้นี่ไปได้จริงๆตลอดชีวิตอาตมามั่นใจว่าอาตมาจะนอนเมื่อเวลาต้องนอนเข ก, ก็ต้องนอนพักไม่ต้องมีบ้านหลบแดดหลบฝนก็พอได้แม้จะไม่มีปลด ก็สามารถที่จะพอลบได้อาศัยตรงนั้นตรงนี้ถ้าฝนมันตกมันอะไร อ, อะไรก็คิดว่าไม่เท่าไรหรือแม้แต่จะนั่งตากฝนมันเลยก็คิดว่านั่งได้มาสิหน้าฝนตั่งตากฝนมันทั้งตลอดดูดูนี่แหละไม่ต้องมีอะไรเนี่ยคิดว่าจะฝึกตนให้มีอีกภูมิคุ้มกันอาชีพ อ, อ, อา ช, พชีวะทนต่อฝนตลอดพอดูดูฝนก็ตากฝนดูดูร้อนก็สู่ร้อน มีร่มไม้พอหลบร้อนได้ร่มไม้พอหลบฝนได้บ้างมันก็คงพอได้ไม่ถึงก็จะหนัดพอฝนตกวิ่งออกไปตากฝนให้เต็มที่ทั้งทที่มีร่มไม้พอหลบได้นิดหน่อยมัจะเปียกก็เปียกนิดหน่อยก็โง่วิ่งออกไปรับฝนหมดพอแดดออกเปรี้ยงๆวิ่งออกไปรับแดดไม่เข้าร่มไม้จะโง่งั้นก็เชิญเถอะใครจะโง่นะอาตมาว่าอาตมาไม่โง่มีร่มไม้พอหลบได้ร่มไม้ใครก็ไม่จองเยอกระเทยอย่ามาเข้าร่มไม้ฉันเนีต้นไม้ของฉันเข้าร่มไม้ไม่ได้ ก็ไปหาลมไม้ที่มันอยู่ห่างๆคนหน่อยใช้ป่านอนคงไม่มีสัตว์ตัวไหนบอกว่านี่ลมไม้ฉันนะกวางตัวนี้ก็บอกนี่ลมไม้ฉันนาะมาอยู่ไม่ได้นะก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนุ่น น, นี่ก็พูดให้มันยาวไปไนะเพราะฉะันอยู่ได้อยู่รอดยังชีวิตได้สําหรับตนเอง mm hmm. คิดว่าทนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเองได้อยู่ได้รอด น้อยได้คือเราน้อยได้จริงๆคำว่าอภิชฌามากน้อยเนี่ยน้อยไม่ต้องมากจริงๆเลชีวิตนี้มันเรียไว้ง่ายง่ายจริงๆจริงๆเลยนะเรียกว่างา่ายมากชีวิตเนี่ยมันกินมันอยู่มีปัจจัยเราก็รู้ปัจจัยสำคัญอะไรต่ออะไรจริงๆอาตมาเคยพูดว่าแม้แต่ที่สุดไม่ต้องมีผ้านุ่งมันก็อยู่ได้มันต้องมีอาหารมีอากาศเท่านั้นเอง ต้องดื่มน้ําต้องมีอากาศหายใจต้องมีอาหารก็ไปสังเคราะห์ร่างกายนั่นเป็นที่1นึงถึงบอกอาหารอันนี้อาหารกาววิญญาอาหารอันนี้เป็นที่1แต่เอาอาหารอื่นเนี่ยอาหารผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารก็สําคัญอรหมาไม่อธิบายนั้นต่อส่วนนั้นอื่นๆจะบอกว่าจะมีผ้านุ่งเป็นอาหารมีบ้านเรือนเป็นอาหารเป็นปัจจัยในมาเป็นอาหารเป็นสิ่งที่จะอาศัยที่จริงเป็นเครื่องอาศัยบ้านเรือนเป็นเครื่องอาศัยผ้านุ่งเป็นเครื่องอาศัยยารักษาโรคเป็นเครื่องอาศัย เ, เครื่องอาศัยเหมือนกันจะบอกว่าเป็นอาหารอาหารอะไแปลว่าเครื่องอาศัยเราจะไม่ถึงขนาดนั้นนี่ยเพรย่นย่อนในปัจจัยสี่แล้วนี่ไอ้กินเข้าปากนี่แหละเป็นอาหารสําคัญที่สุดสําหรับร่างกายนอกนั้นก็เป็นอาหารที่สําคัญบ้างถึงเป็นนับพื้นปัจจัยสี่ก็สําคัญพอสมควรมีบริขารอีกก็สําคัญต่อไปเรื่อยๆถ้าพูดใดเข้าใจชีวิตเลยว่าแค่ปัจจัยสี่แค่บริการเครื่องประกอบกับชีวิตพอที่จะเป็นประโยชน์คุณค่า สำหรับตนเองมันง่ายน้อยเรามักน้อยได้จริงเลยไม่เฟอแล้วเราก็ไม่จากได้ไม่ต้องการไม่ต้องเสพจะเห็นได้ว่าชีวิตเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนมาจริงๆแล้วในชีวิตเลี้ยงไว้ง่ายที่สุดถึงได้สุภะสุภโรเนี่ยท่านสุภโรเนี่ยนะอาตมาไม่รู้ว่าแท้ๆท่านชื่อสุภโรหรือสุภโรโลโลิงใช่ไหมแปลว่าพลังดี จําไวน้นนักจงน้ําหนักมั้งพลังดีนะสุพะโลรลอลิงพอพานรอร อ, รอลิงแต่สุพะโรตัวนี้นี่พอสําเภารอเรือแปลว่าผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงดูเดียงพระนี่แปลว่าการเลี้ยงการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูผู้เลี้ยงง่ายสุพะโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็หมายคําว่า มีแคกินไม่าไม่ติดหรอกท่านกินไม่ติดรสไม่ติดรูปไม่ติดกลิ่นไม่ติดสีไม่ติดอะไรละไม่ปีกามอาหารที่มีคุณค่าธาตุอาหารมาท่านก็เลี้ยงง่ายทำง่ายให้ง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดอะไรมากมายจะกินจะใช้จะอยู่จะไปจะมาให้อยู่ให้กุดขนาดนี้อยู่อย่างนี้ท่านก็อยู่ได้ให คือมันไม่ติดใจแหะอย่างนี้ไปได้มาบาง่ายไปง่ายนั่งง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไปอะไรง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายนะมันเลี้ยงง่ายองค์นี้ไม่ติดมากถ้าองค์ไหนหรือคนไหนติดติดมากๆเราเนี่ยแหละติดติดนั่นโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกปากไอ้นี่ก็ไม่ถูกตานี่ก็ไม่ถูกหูไม่ถูกยังไงลรากระทบแล้วก็ยังไม่ชอบใจถูกแต่มันไม่ถูกคำนี้มันลึกนะมันไม่ชอบใจถูกนี่ไม่เนี่ย ขนาดเข้าปากยังคายเลวไม่ถูกได้ไงไอ้คายนั่นแหละมันไม่ชอบใจเอามาแตะลิ้นแล้วด้วยไม่ถูกปากแตะลิ้นแล้วยังไม่ถูกปากอีกไม่เข้าปากแล้วไปถูกริ้นได้ไงไม่ถูกลิ้นจะรู้รสเลยแล้วบอกไม่ถูกปากเขาว่าไม่ถูกปากใช่ไหมเขาไม่ชอบรสใช่ไหมมันภาษาไทยมันลึกๆเหมือนกันเนาะไม่ถูกปากนั่นแหละเราก็พิจารณาถึงอาการอะไรพวกนี้ได้สรุปอีกทีหนึงไปหาการงานอีก นี่ก็วิเคราะห์อะไรต่างๆนานาพวกภาษาแล้วมันก็เกิดปรุงแต่งมันก็จะเกิดมีอารมณ์อาการอะไรต่างๆนานาอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยเราก็วิจัยไปเอ๊ะอย่างนี้เราควรไปตัดตรงไหนเราควรไประงับตรงไหนเราควรไปหยุดยั้งตรงไหนจนกว่าจะเป็นคนไม่มีกิเลส ท, ที่มันไปปรุงร่วมมันไปติดไปยึดไปอะไรต่างจริงๆมันก็เบาบางเราก็เป็นคนมากน้อยเป็นคนเลี่ยงง่ายเป็นคนสันโดษพอแค่นี้ก็พอเราเป็นคนไม่มากจริงๆ อพอน้อยพอน้อยน้อยก็พอจริงๆน้อยจนพอจนรู้ขีดว่าน้อยเท่านี้แหละได้พอแล้วไม่ทรมานตนไม่ทำให้สุขภาพเสือ่อมไม่ท้ความเป็นอยู่เนี่ยอย่างทุกทรมานทุเรสทุรังการไม่ให้การได้ทำงานมีองค์ประกอบเท่านี้มีเครื่องมือเท่านี้มีอะไรเท่านี้ได้ทำงานพลังงานของในร่างกายก็มีแคลอรี่ประมาณ2 0 0 0ั0สาพ ทำงานได้เต็มที่แต่ละวันแต่ละวันนะมีองค์ประกอบมีเอโนเนียเครื่องใช้เครื่องทำงานนี่ทําไม่มีไมโครโฟรนในอาตมาบ้างเนี่ยโอ้แย่เหมือนกันนะอาตมานะอ่าต้องมีไมโครโฟนขนาดมีไมโครโฟนนี่พอเวลาตอนนี้สังขารอย่างนี้แล้วนั่นสัก2อสชั่วโมงไปแล้วนี่ไม่เหมือนเมื่ออายุ2030เลยไม่ไหวแล้วอ่เสียงเสริกปลอดคออะไรอะได้ไปมากแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องช่วย เราได้เครื่องช่วยอันนี้อันนี้พอประมาณนี้โอ้ทาได้ดีมันน้อยมันก็น้อยแค่นี้แหละถ้ามันไม่น้อยมันไม่ได้พอเท่านี้มันก็น้อยไปการงานก็ไม่สมควรการงานก็ไม่ได้ผลที่ดีประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่มันไม่สัดส่วนมันไม่ดีแล้วมันประหยัดไปประโยชน์ไม่ไม่พอถ้าใช้ไมโครโฟนแล้วเออประโยชน์สูงดีพอก็ประหยัดขนาดนี้แต่ถ้าเผื่อว่าอ ไม่ต้องล็อกจังหนุ่มแน่นเสียงก็ดีดังด้วยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ไม่ต้องเปลืองไมโครโฟนนะไม่ต้องเปลืองไมโครโฟนได้แล้วสัดส่วนพอเหมาะนั่นก็คือประหยัดขนาดนั้นของผู้นั้นในกาละอย่างนั้นบางทีนี่กลุ่ ม, มเล็กๆกลุ่มไม่ต้องมากแล้วไม่มีเสียงกวนมากด้วยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนเฟอ้อเฟอ้อไปอย่างนี้เป็นต้นเรารู้ประโยชน์ประหยัดสุดพวกนี้ให้ได้สัดส่วนแล้วประโยชน์สูงประหยัดสุด ในการทํางานทุกอย่างเราจะประมาณหมดเลยว่าเป็นประโยชน์ตนได้ขัดเกลวประมาณให้มัดชิมมากระทบสมัมผัสขนาดนี้การงานรวดเร็วขนาดนี้มากขนาดนี้มากไปไหมเร็วไปไหมถ้าเร็วไปช้าลงหน่อยมากไปกําหนดขนาดนี้พอควรเราก็มียาตรปริญญาติรณปริญญาปหานะปริญญาได้ทันปฏิบัติมีถาตรู้ตาธาตุปริญญาที่จะใช้ ทำอะไรตออะไระหนของเราได้อ่านทันอ่านได้ประมาณกําลังแหมประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ท่านงานข้างนอกก็สร้างได้ดีงานในงานได้ทํางานก็ดีเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมัน ม, มีทั้งงานในงานนอกเหมือนยานข้อ5ในยานเจของพระโสดาบันเหมือนแม่โคแม่ลูกอ่อนที่ต้องทํางานไปเลี้ยงลูกไปด้วยคือโคมันจะมีงานอะไรมากมายแล้วนอกจากงานกินอาหารให้ตัวเองแล้วงานนอกงานอื่น มันไม่ได้ไปเช็ดถูให้ตัวผู้มันไม่ได้ไปเช็ดถูให้ตัวนนท์มันเลี้ยงลูกเป็นงานหลักโคอ่ะงัวแล้วมันก็เอาภาระของมันเลยมาเป็นงานของมันจริงๆเลยงวเนี่ยมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปพลางได้เหลือบช่ำแลดูลูกไปพลางตัวเองก็กินหญ้าให้แก่ตัวเองไปพลางกินหญ้า ก, กับเป็น งานสําหรับตนประโยชน์ตนแท้แทนี่เป็นรูปธรรมที่พุทธเจ้าท่านเลียงใช้แล้วก็ชํ่เลืองดูลูกไปพรางอย่างไม่คลาดสายตาชํ่เลืองดูลูกไปพรางนี่คือไม่คลาดสายตาลูกจะเป็นยังไงถูกต้องไหมดีไหมนะควรลูกเขาทําอยู่ในอายบทอีกสมควรนะทําให้สมควรยังไงก็ต้องไปช่วยเท่าที่แม่โคจะดูแลอะไรย่างนี้เป็นตน้นะท่านอุปมาอุปมานี่ชัดเจนนะแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ว่ า, าศาสนาพุทธนั้น ไม่ใช่เอาแต่สมถะไม่ใช่เอาแต่วิปัสนาโดยที่ไม่เข้าใจวิปัสนาคืออะไรวิปัสนาประกอบด้วยสมถะด้วยในตัวเสร็จเลยเพราะปฏิบัติไปแล้วมันก็จะลดละจางคลายแล้วมันก็สงบลงในตัวเรียกว่าสมถานี่คือสงบเพราะฉะนั้นการทาําสมาธิของพระเจ้าสัมมาสมาธิจึงไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตอย่างเดียวแต่อันนั้นเราก็รู้ว่าสมาธิสมถะเจโตสมถะที่ตัดอันอื่นเลยนั่งเจโตสมถะเราก็รู้ แต่สัมมาสมาธิอันประกอบไปด้วยองค์ทั้ง7ของมรรคใช่ไหมทำงานไปหมดเลยแม้แต่อาชีพแม้แต่กรรมกริยาแม้แต่กายวาจาแม้แต่การคิดสังกับปากประกอบกันหมดเลยองค์เจแล้วก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิเป็นเอกคตารมณ์ได้ลดละไปได้นั่นคือกําลังสั่งสมสมาธิโดยนั้นใครอ่านอาการจิตออกกรรมกริยาทางกายวาจาก็ทันดักทันดักจิตได้ กายกรรมวัจีกรรมจะออกไปก็สามารถดักได้เพราะมีมิจฉาเนี่ยเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะนี่ไปเบียดเบียนเขาอันนี้จะแสดงออกกิริยากายทางกามแล้วนะนี่จะแสดงออกทางวัจีกรรมสอกามนะนี่ผูดธรรมะนะแต่ในธรรมะนั้นเ <c oughs> จือกามไปด้วยรู้ตัวไหมเคยไหมผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอยากถามสมณะนั่นด้วยแหละ แสดงทรรมแต่ในฉันเจือกามไปด้วยในตัวเห็นไหมภาษาฟังดีๆนะมันมีอาการสิ่งที่คุณเองคุณมีเจตนารู้ด้วยว่าตัวเจตนาหรือบางทีไม่เจตนาได้มันเผลอผสมกามไปกับกรรมวาจาผสมกามไปกับกายกรรมผู้หญิงนีกายกรรมผสมกามเก่ง กิริยาม่รู้ล่ะเดี๋ยมาทำไม่เป็นน่นะกิริยากามของพูญย่วยวนหูตาไปหมดทั้งตัวนั่นแหล ะ, ะต้องใส่ส้นสูงต้องต้องออเออเออเกินถ้าไม่ทันก็เซ็ตเซ็ตอีดัง เนี่ยจะมาพยายามามีเวลาเราจะได้คุยกันรายละเอียดพูดยังไงก็ได้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นเมินชักของลึกให้ตื่นเหมือนจุดไฟในที่มืดเหมือนงายของทิศความอธิบายเราจะเอาเข้าใจมันยละเอียดละเอียดมาก็เข้าใจดีขึ้นในเราฟังธรรมดีๆวันนี้ก็ฟังธรรมแท้ๆเราเอาเรื่องราวๆอะไรก็ว่ากันมาหลายแล้วแต่แตวันแรกนันรอถึงขั้นเรื่อง แผ่ความที่สารเลยนะมารากจูงมาก็ดีมกันในฟังปฏินิสัขะกันพอสมควรในวันแรกมือสองมือสาก็มีอะไรมาเพระกิจกรรมเมื่อวานนี่มาลงจากเทวโลกแล้วก็มาเอาผลของที่ประชุมของสังฆเทวดามาฟังกันสังฆเทวดาประชุมกันว่างไงก็มาว่ากันฟังอะไรเนี่ยพอมามือนี้ก็มาเจาะถึงเนื้อหาธรรมะที่เราควรจะเป็น คุณมางานนี้ก็มางานไม่มีอะไรหรอกที่นี่นะไม่มีเอ็กซ์เนี่ยแหมมากลับมานี่โฆษณาสินค้าได้ไปกลับไปบ้านได้เป็นหลายหลวไม่ใช่งานเอ็กซ์ไม่ใช่งานที่คุณจะมาได้ประโยชน์ทั้งโลกอะไรหรอกแต่มาอย่างนี้แหละลงทุนลงแรงมาจากเหนือจากใต้อัตมานั่งดูละครนั่งดูเวทีเมื่อคืนนี่ก็โอ้มันสมบูรณ์ขึ้นนะอโศกเร า, นาเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทางอีสานครบเลยนะ พยายามทำโดยไม่ ก, ก็ไม่ได้เจตนาทีเดียวนะเพราะเรามันมีมันก็มากันมีอิสานมีอิสานมากนลยภาคกลางก็พอสมควรภาคกลางนี่ก็นาดกลางใหม่เลยนะมอมีน้องแพทน้อง อ, อมน้อง อ, อมอะไรมาใส่หน่อยเลยนะใ น, นสมัยรุ่ น, ร, นรุ่นของวัยรุ่นอ้าววัยรุ่นไม่พร้อมมีวัยเรียกว่าวัยเก่าๆคลาสสิกหรือว่า อำมาตักมาเลยนะนักรอก้องละครจะขางอำมาตักคือ30สกว่าแล้วก็มาร้องเพลงก็อำมาตักไปเลยร้องเพลงเก่าๆให้เราฟังขนาดพรานเบ็ดอย่างนี้เนี่ยตัวรุ่นใหม่จะรู้เรื่องหรือพรานเบ็ดเพลงฮิตของรุ่นควัรรำเมื่อห0สิบกว่าปีที่แล้วเด็กๆจะไปรู้เรื่องอะไรนะ สมัยนวนเขาก็โห่แหม่ลงว่ากันอย่างงี้แล้วกันนะผู้ชายก็ตกเบ็ดผู้หญิงด้วยเงินผู้หญิงก็ตกเบ็ดผู้ชายด้วยนะโดยอะไร อ, ะอ่ะนะด้ลีลานี่แหละลีลานี่แหละนี่แหละเนี่ยกายกรรมก็เอาก ร, รมใส่เข้าไปตามขบวนกายกรรมวจีกรรมก็ใส่กามเข้าไปนี่แหละนี่แหลนะนะ นี่ถ้าเราเข้าใจกรรมกิริยานี่มันมีอะไรพนวกจากจิตวิญญาณถ้าอานจิตวิญญาณออกเลยว่านี่อาการอย่างนี้นี่เ น, น, นแยกออกแล้วนี่เป็นกิเลสนี่นะราคะนี่คุณเหยาะราคะผสมกรรมไอ้เอราคะผสมกายกรรมนี่ราคะผสมวจีกรรมมันมาจากการปรุงมาตั้งแต่สังกับปะมันมีกามมวิตกมันมีโทษพยาบาทวิตกออกไปหรือไม่ดําริหรือว่าคิดหรือปรุงหรือว่า เอาอันนี้เข้ามาร่วมตรกกะวิต ก, กะใส่เข้าไปด้วยหรือไม่แยกมันออกวิเคราะห์ตัวนี้ออกแล้วเนี่ยแกอย่าไปเอากามเข้าไปปนกับเขาแยกออกคิดได้จิตจะคิดจะนึกเอาไปทำให้มันบริสุทธิ์อย่าเอาอันนี้เข้าไปนี่มันต้องอย่าใหอ้อาการเชื้อของกามเข้าไปผสมซิเข้าไปสังคารร่วมอย่าให้อาการเข้าพยาบาทนี่พูด ต้นขั้วนะัการ ม, มันก็หยาบมันมีอาการน้อยๆกรมน้อยๆราคะน้อยๆรูปราคะรูปราคะทักษุนละเอียดขึ้นไปอีกคุณก็ดักอย่ากให้มันออกไปร่วมพยาบาทนะกันอย่างนี้นิดนหน่อยแค่แดกดันนิดๆประชดน้อยๆอะไรก็แล้วแต่นี่มันก็แกล้งเขาทรงนั้นนะมันก็อาณการในจิตนั้นให้ออกแล้วก็คัดออกให้มีแต่จิตบริสุทธิ์เป็นกรรมกิริยาจากกาักรายกรรมวิจิกรรมกับใครก็ตาม เห็นมันซลึกเข้าไปเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติที่จะต้องฟังภาษาเหล่านี้ให้รู้เรื่องแล้วก็เอาไปฝึกอ่านความจริงรู้อาการลิงคณิมิตอุเทศนะรู้อาการรู้เครื่องหมายของอันอย่างนี้ก็คือ ก, กรรมกิาของกามวิตกอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างไงคุณก็ต้องอ่านอ่านออกให้ได้อย่างนี้เป็นเครื่องหมายของพยาบาทวิตกอย่างนี้เป็นเครื่องหมายของมิหิงสาวิตก นี่มันย retained, ังเบียดเบียนตนเบียดเบียนสั้นเบียดเบียนตนคืออะไรแค่ไหนเรายังเสพเรายังมีขออยู่นี่เราตอนนี้เราทําได้ขนาดนี้อรมันขนาดนี้แค่นี้อยู่น่ารเรายังมีการแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนมันมากกว่านี้โอ้ยมันน้อยกว่านี้ไม่ได้เราไม่ได้จริงๆเรายังอยู่ในฐานแค่นี้ก็ประมาณให้ดีนี่ไม่ถือว่าเบียดเบียนตนแต่ถ้าเพราะว่าเราต้องเพ่งขึ้นกว่านี้แล้วถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ใช่ถือว่าเบียดเบียนตนถือว่าตัวเองจะต้องทําลายตนแล้ว ตนเองถ้าคืนมากอย่างนี้ทําลายตนแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเบียดเบียนอย่างนี้ต้องขัดเกล้าตัวเองต้องขัดเกล้าต้องเอาออกเพราะฉะนั้นการจะนับว่าเบียดเบียนนี่จะต้องประมาณรู้ว่าตรง น, นี้ตอนนี้ขนาดนี้เราจะไปตามใจมันไม่ได้ต้องขัดมันนะไ <c oughs> ม่ถือว่าเบียดเบียนตนขัดมันต้องสัลเลขะถ้าไม่ขัดมันขนาดนี้แล้วปล่อยตามใจมันอยู่เรื่อยมันไม่ได้ขัดพัฒนามันไม่ได้ก้าวหน้า อะไรนิดได้หน่อยว่าให้มันไม่ต้องขาดเกามันประเดี๋ยวจะถือว่าเบียดเบียนตนมันก็เสร็จที่งก็ให้อาหารมันอยู่เรื่อยนี่เราอ่านประมาณให้ดีคํานวณให้ถูกแล้วก็ลดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกต้องตั้งตนบนความลาบากต้องมีสันเลกาธรรมต้องมีฝืนต้องมีขัดต้องมีทวนกระแส ต้องมีพยายามในเสมอให้รู้ว่าของเราพอเหมาะขนาดไหนมัจจิมาจึงกําหนดตายตัวไม่ได้ของใครของมันของใครของมันกําหนดตายตัวไม่ออกเอารา้นี่เจาะประมัดขึ้นมามากพอสมควรคิดว่าตั้งใจฟังดีแม้จะอยู่ดึกหน่อยพอสมควรเมื่อคืนนี้ถ้าใครฟังธรมะนี้เข้าใจดีเกิดธรรมรัโอได้ไปหลายเหมือนกันนะทีนี้ก็มาขอสรุปตรง ใหญ่ๆนะว่าเรื่องของมง่งกันแล้วกัน <c oughs> คือการงานหรือกรรมกริยาของชาวอาสรเราทุกวันนี้เนี่เ ป, นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พิสูจน์เราได้ทำงานเราได้ทำอะไรอะไรขึ้นมามีคนที่มาทำงานถึงขั้นที่ไม่มีปัญหาเลยชีวิตนี่มั่นใจว่าเราทำงานกับหมู่กับกลุ่มไปเนี่ยเลิอกอาชีพที่เคยได้เงินได้ทรัพย์ส่วน แลกเปลี่ยนมาหรืออะไรแล้วเรามาอยู่กับหมูมาเนี่ยหลายปีแล้วก็มั่นใจแล้วไม่มีปัญหาเลยก็ขอให้ทำงานในระดับลาเพนะลาพังนิชกิงสนตาในระดับทำงานไม่ต้องใช้ลาบแลกลา บ, ลาบอะไรอีกเลยอาตมาจะไม่อธิบายลาบแลกลา บ, ลาบถึงในระดับว่าคุณไม่ทำงานเอาค่าตัวแลกลาบเป็นเงินก็ตามได้แล้ว มันยังจะแลกลาบคือแลกยศแลกสันเสริญแลกเสพแลกเสพรู้เรื่องไหมมันมีเสพลึกๆอีกมันยังอิติอะไรอยู่บ้าง ป, ะ, ปะมุช ะ, ะมันมีความปราปลึ้มอิ่มใจเอมใจก็เป็นรสเป็นการเสพเหมือนกันอพอได้ทำแล้วสมใจก็เสพอันนั้นก็ยิ่งลึก อ้อยังจะแรกสันเสริญต้องยกยอยกจ่องชมเชย อ, อยู่นี่มันหยาบ ก, กว่ายิ่งต้องเอายศเอาตําแหน่งเลยไม่ได้ฉันต้องเป็นผู้รับใช้ฉันต้องเป็นประธานฉันต้เป็นหัวหน้าฉันต้องอะไรอีกมันก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่มันก็ยิ่งหยาบแม้ไม่เอาวัตถุแรกมาแล้วไม่เอาเงินเอาทองไม่เอาค่าตัวแรกแล้วก็ตามอย่างนี้ก็แลกลาบอยู่เหมือนกันแลกตอบเป็นอมิตรอยู่เป็นอมิตรเป็นสิ่งที่ต้องต้องการแลกเปลี่ยนตอบแทนอยู่เหมือนกัน ขั้นนี้ก็ฝากไว้ทิ้งไว้ไปคิดทีนี้เราพูดแค่ว่าแม่ผู้มาทํางานในหมู่เราเนี่ยเอาละมันยังไม่ถึงขั้นจะต้องไปถึงขั้นบางทีมันก็มีบ้างมันยังติดอยู่บ้างแหมเราได้เป็นผู้ที่ทํางานแล้วก็ได้รับยศฐานะเป็นผู้นําเป็นหัวหน้าเป็นผัวรชอว์อุสาวเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะไม่ใช่หัวหน้าหัวเรื่องมันก็หัวหน้านั่นแหละนะมันก็เผู้นำนะเพราะรอชอว์พูดรับใช้พูดให้มันข่มไว้แต่ที่จริงมันก็ไอหัวหน้ามันก็รู้ว่าคนพวกอโศกมันไม่โง่หรอกเด็กๆมัน รู้หมดนะเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่เราติดเรายึดหรือไม่เมื่อไม่เอาเงินแล้วนี่เรายังพิสูจน์ได้เลยและหลายคนจะมั่นใจว่า เ, เรื่องเงินไม่มีปัญหาเราไม่ต้องแลกเงินกลับมาเลยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินส่วนตัวทํางานส่วนกลางนี่แหละอาตมาจะพยายามประดมเพื่อจ ะ, จะสร้างรูปแบบพิสูจน์สาธารณโพคีพระมีสังฆใช้าสาธาระโพคีของพระพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยพระเจ้านั้นไม่มีปัญหาหรอกเชื่อ เพราะพระสโสดุไม่ต้องมีทรัพย์ส่วนกลางจนกระทั่งต้องมาตั้งวิยาวจกรดูแลกองเงินกองทองนี่นะพระอยากจะได้อะไรต้องไปแจ้งวิ ย, ยาวจกรนะนี่ส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเป็นเพียงว่าให้คราวานสนี่คุมเลยดูแลการเงินแล้วไม่ต้องถืออะไรเป็นเงินส่วนพระแต่เป็นเงินส่วนกลางที่พระอยากได้บางทกเกรงใจเงินส่วนกลางนี่มากๆากเลยมันดีเพราะพระโสทุวันนี้นี่ก็โด้ยธรรมเนียมมัน อยากยมลงเลี้ยงดูไว้นี่มันพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วอัตมามั่นใจว่าเลี้ยงดูได้ไม่ต้องไปถึงขนาดไปดึงไปถือว่าเงินนี้เป็นเงินสงฆ์แต่สงฆ์ใช้เงินมูลนี้ที่เงินกองกลางพวกนี้ถ้าสมควรไปบอกกรรม ก, การเขาไปบอกคารหัสคาุหัสเขาคารุหัสเขาไม่ต้องไปตั้งวิยาวิจกรเขาจะมีกรรม ก, การของการดูแลการเงินเป็นส่วนสาธารณะในส่วนกลางอันนี้ได้ เนี่ยทำถึงขนาดนี้แล้วอาตมาเห็นว่าไปรอดถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไปต่เนออนาคตรรอดรอดแน่ๆเสร็แจแล้วแต่ละคนที่มาทํางานถึงขั้นลาเพร่ น, นาลาพังนี้จะกิ่อองสนตาไม่ได้แลกลาวแล้ะอาตมาก็พูด ก, กลางๆพูดที่มาทําแล้วหลายปีสปี5ปี10ปีกว่า10ปีถึงยีปีเรายิ่งมั่นใจว่าโอ้เราไปคารวาสอยู่เนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ไม่ต้องมีเงินมาเป็นส่วนตัวเลย ส่วนกลางนี่บางทีได้มัางไม่ได้บ้างเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินหอกแหมจะไปขอส่วนนี้แหมเราจะไปนั่นมานี่จะขอใช้หน่อยก็ยากแสนยากต้องบางทีก็ต้องเออไม่ได้ก็ต้องงดต้องไม่ไปมันก็ไม่ได้บาดออกบาดใจมันก็ไม่ได้ติดยึดมันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนักหนาวไม่ไปก็ไม่ไปก็อยู่ที่นี่ก็ข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จมีงานก็ทําอยู่แล้วมันก็ทําไปต่อโดยไม่ทํำนู่นต่อก็ไม่หาเราไปก็ไม่เป็นไรสบาย คนนั้นก็มั่นใจนะมั่นใจทำอะไรยไปอีกสายนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ของการงานพิสูจน์กิเลสพิสูจน์การติดยึดพิสูจน์ว่าเราจะปลดปล่อยตัวเราเองไม่ต้องติดอะไรอีกเลยจะตายก็ตายได้ง่ายขึ้นแล้วตายสงบตายไม่มีอะไรผูกพันตายไม่มีปริโภทะไม่มีห่วงไม่มีหาไม่มีความอาฆาตไม่มีความดึงดันอะไรแล้วสบายมันพิสูจน์ จิตวิญญาณมันเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งนั้นถ้าคุณไม่มีกรรมกริยาไม่มีองค์ประกอบทักนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอาตมาปแปลเองขอยืนยันว่าอาตมาแปลถูกแต่ในพระแท้ปิดกในสายโน้นท่านแปลว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีมาโทเอ้ยเอามิตรกับเพื่อนมาวนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เลยไม่รู้เรื่องอยู่ในทั้งคำว่าสำประวังโกนี่นะมันประกอบไปพร้อมกับวงวแวดวงที่มันควรจะโต ก, กันนั้น ความหมายก็เลยไปมิตรดีสหายดีเพื่อนดีแล้วมันมิตรกับเพื่อนมันต่างกันอย่างไรนอกจากคําว่ามิตรนี่มาจากบาลีคำว่าเพื่อนมาจากภาษาไทยอัตมาก็ว่ามันก็อันเดียวกันละวะเนาะมิตรมาจากบาลีมาจากสันสกฤตส่วนคําว่าเพื่อนมันก็มาจากภาษาไทยแน่นแนเท่านั้นเองมันไม่ได้ขยายความอะไรเลย ในความหมาย3 ม, มิตรตังสหมิตโตสหายโยสัมปะวังโกเนี่ยมันไม่ได้เปนนั่นเลยอาตมาเลยข อ, อยืนยันมาสัมปวังโกเนี่ยก็คือรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีคือเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เ น, นี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่กันและกันจริงๆเลย ทำกรมกรมาการงานมีปัจจัเป็นปัจจัยจะขยายออกข้างนอกจากอยู่ข้างในอะไรเราประมานกันรประชุมกันตอนนี้เอาตรง น, นี้นะนโยบายนี้ขนาดนี้ขนาดนั้นนะมันทาตส่วนรวมเรามีผู้ที่ดูแลแล้วก็ประชุมกันปรึกษาหารือกันตัดสินกันมีมติกันขอให้ทำตามมติเถอะพวกเราไม่ได้โง่พวกเราไม่ได้ก า, ไไดการความเสื่อมเพราะฉะนั้นมติอะไรออกมาก็ได้พิจารณากันแล้วนี่มันต้องไม่เสื่อมเป็นธรรมดานะเพราะงั้นมันกานประชุมนี่มันดี สงสัยก็รีบเข้าประชุมกันมาบอกโอ้เรื่องนี้เร็วนะตน้องรีบประชุมด่วนประชุมวิสามันเสร็จแล้วก็มีมติออกมาทันทีถ้าไม่ด่วนก็สามันประชุมสามันอยู่แล้วมีวันเวลาที่กําหนดประชุมกันอยู่แล้วมันไม่ตกหล่นหรอกเชื่อพระเจ้าพรั่งพร้อมกันประชุมอเออเองประชุมทุกข้ า, มาไม่ประชุมก็ได้ข า, ขาดบ่อยๆหน่อยเดือนนึงก็ประชุม5ครั้งข้าไปสักครั้งนึงก็พาะมันอย่างนี้มันก็ไม่เข้าท่า ถ้าพั่งพร้อมกันประชุมท่านตรัสไว้ว่าพังพร้อมกันประชุมพังพร้อมกันเลิกไม่ใช่ประชุมเมื่อกันเซ็นชื่อแล้วออกอะอย่างนี้มันไม่พั่งพร้อมกันเลิกนี่มันไม่ได้ประชุมกับเขาล็อกหรือประชุมได้ครึ่งงานออกก่อนมันไม่พังพร้อมกันเลิกคําท่านครบนะพั่งพร้อมกันประชุมเป็นนิดบ่อยๆเสมอๆพั่งพร้อมกันเลิกไม่ใช่ประชุมกันเต็มแต่เลิกเหลือหน่อยหนึ่ง ท่านไม่ได้อธิบายไปยงี้นะยังไงก็ทนกันเถอะหรือว่าก็บอกว่าเอาหน้าสรุปกันเถอะรวบรวมกันเถอะวันเวลาเราจะแยกไปแล้วนัก็บอกกันว่าเราก็รีบตัดเถอะก็บอกว่าเราไม่ได้ไประชุมกันที่เดียวนี่ต่อไปแล้วข่าวหน้าเอาไว้ข่าวหน้าได้ไหมเรื่องนีิวาระนี้เอาไว้ได้ข่าวหน้าได้ไหมมันก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันมีเรื่องเสนอขึ้นมามูเอาตัดหน่อยอะไรนี่เป็นต้นนะดังนั้นก็เราทํางานด้วยสำระวังโกมีมิตรมีสหาย มิตรเจาะถึงใจเป็นเพื่อนในระดับมิตรนี่หมายความว่าใจนะเป็นมิตรที่ใจผูกพันใจเป็นมิตรใจเข้าใจกันมิตรสหายโยเป็นมิตรที่ร่วมกันมีประโยชน์คุณค่าสหายะสหร่วมอายะประโยชน์คุณค่าเพราะงั้นมิตรที่นี่รู้คุณค่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าประโยชน์ข้างนอกประโยชน์ข้างในที่พัฒนาใจก็ตาม ส่วนสัมปวังโกนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมประชุมครบคันเลยมีระดับมีทั้งนอกทั้งในเชื่อมโยงไปสู่ข้างนอกด้วยในด้วยทั้งวัตถุรูปธปรรมและนามธรรมครบพรอมสัมปวังโก น, นี่แหละมันเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์เลทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ขณะพระพุทธเจ้าขณะพระ อ, อนนท์บอกว่าไม่ไมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นครึ่งหนึ่งขอพรหมจรรย์เชียวหน้าพระเจ้าค่ะนาพระพุทธเจ้าบอก อ, อนนท์ มันไม่ใช่ครึ่งนึงเรามันทั้งหมดเลยเรย า, อ, าร อ, นนอนนท์พระพุทธเจ้าตทรงปรามพระอานนท์ยิ้มต้นพระอานนท์รู้สึกประโยชน์จึงอุทานอย่างนั้นออกมาโอ้โหความเป็นมิตร ด, ดีสหายดีสังคมสิง่งแวดล้อมดีนี่มันมีประโยชน์ของพรหมจรรย์ทั้งครึ่งหนึ่งเชียวนะมีประโยชน์มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าบอกอ้ยังน้อยไปอน น, อนนท์ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งสิน้นของพรหมจรรย์เลยอ น, อนนท์เพราะฉะนั้นความสําคัญของมวลหมู่ของกรรมกิริยาของนโยบายของวิธีนี่คือสัมปะบังโกทั้งนั้น ของการงานของกรรมกิริยาฟังให้เข้าใจในะตรงนี้อาตมาขยายกรรมขยายการงานมาจนกระทั่งถึงเดิจะจบแล้วนี่จะหกโมแงแล้วครึ่งนะมันรวมหมดเลยทั้งแนวนโยบายการประชุมกันมีมติจะทำยังไงกาละนี้จะทาอะไรบ้างกรรมกับกาละในตอนนี้ช่วงนี้ยุคนี้ นโยบายตอนนี้หรือว่าตอนนี้เราจะมีเรื่องอะไรกันขนานี้ทั้งปัจจุบันที่เร็วปัจจุบันที่ต่อเนื่องขนาดไหนก็แล้วแต่หรืออนาคตที่ต่อเนื่องเท่านั้นเทาน่านี้มันมีกาละการระยะการระยะเวลาอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นกรรมกับการจึงเป็นเรื่องสําคัญมากและเราก็จะต้องปฏิบัติให้มีประโยชน์คุณค่าในกรรมปฏิบัติกรรมทุกทีมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นเหรียญสองด้านแยกกันไม่ออกคุณเอาเหรียญไปผ่า คุณพาเมื่อไหรเมื่อไร่เมื่อไร่มันก็มีสองด้านเหรียญนอกจากคุณจะเผายุบไปเลยเป็นอนุไปเลยมันก็ไม่มีไม่มีสองหน้าให้คุณล่ะแต่ตราบใดคุณยังจะทําให้มันให้บางไปเลยคุณจะพาเหรียนสองด้านให้มันบางไปขนาดไหนคุณผ่าไปเถอะมันก็ยังเหลือสองด้านนี้นั่นเองะถ้าไม่แยกธาตุมันเป็นเป็นอนุไปเลยไม่เหลือเหรียญนะไม่เหลือความเป็นแผ่นนะนั่นมันจะมีคู่เคียงเลยสองหน้าตลอดเวลาไปด้วยกันมาด้วยกัน เลือดอโศกไม่ใช่เลือดสุพันธ์เท่านั้นไปได้วยกันมาด้กันเลือดอโศกเลือดอโศกกันไปได้วยกันอย่างนั้นเพราะ ก, กรรมเนี่ยมันเป็นความสำคัญของชีวิตปานชนีสำคัญการงานก็ได้กิริยาก็ได้การงานด้วยกิริยาด้วยกิริยานอกกิริยาในาอา่านให้ครบแล้วก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ให้เกิดว่ามันสังเคราะห์กันอย่างไรปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรและเราก็วิเคราะห์วิจัยตัวอกุศลตัวทุจิิริตตัวไม่สมควรตัวมิจฉาอะไรให้ออกเราต้องการการสร้างตอนนี้เนี่ยเราต้องการการสร้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนขอให้พยายามเข้าใจให้ได้ว่าเออเราต้องทำการงานต้องต้อ ง, องทำกรรมขยันขึ้นเราไม่ขยันเราก็อยู่รอดเพราะว่า มูเราพิสูจน์แล้วในมูอโศกเราเนี่ยอาศัยแฝงกันอยู่เหมือนตัวคนทันตัวคนทันในพวกตัวเสพแอบเสพท่านยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมในถึงขั้นไปเสพกามเสพระเริงเขาบอกคนทันมีอะไรเป็นอาวุธว่ามีอะไรเป็นเครื่องมือมีพินดีระสำเริงสําบาญเบิกบานมันก็คือพวกระเริงระเริงรถน ะ, ะระเริงรถระเริงรถเสพนะรถกาม มีสีตีเป่ามีร่ำร้องดีไม่ดีเสพกามสัมผัสเสียดสีไปเป็นชูกับก า, กากีเขาด้วยคนทันใช่ไหมบูควันรู้จักเรื่องกากรีไหมรู้จักเรื่องคนทันกากีพระเจ้าพรหมทัตที่เป็นพระยาครุฑนี่ไหมอ้าวบอกว่ารู้แล้วก็บอกว่าไม่รู้รู้แต่ชื่อ ฟังที่อาตมาพูดพูดไปนี่จะไม่ได้อ่านไม่ได้ดูนิยายนี้มันต้องเข้าใจนิทานเรื่องนี้ด้วยอุทานหอนิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วเพราะใครเข้าใจนิทานเรื่องนี้ละเอียดดีหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนิทานเรื่องนี้ละเอียดดีไม่รู้จักเรื่องกากีนีทั้งหมดมันก็อาจจะไม่เข้าใจดีพระเจ้าพรหมทัตนี่หรือพระยาครุฑนี่เป็นผู้ครองเมืองในกรุงอะไรชิมพลีในชิมพลีอ่าสจแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาเมืองมนุษย์ก็มาเป็น บินมาเป็นพยาครุตมาเลยนะถือว่าเป็นสัตว์ที่บินเหาะเหิเดินอากาศไปอะไร ไ, ได้ไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวคนพันชื่อว่าคนพันเนี่ยอ่เป็นตัวที่แฝงอยู่กับพยาครุตเป็นตัวเลนตัวหมัดตัวอะไรแฝงอยู่ในขนครุตเนี่ยแอบอยู่ก็คือสิ่งที่เป็นกิเลสเรามันแฝงอยู่ในตัวนี่แหละแอบเสพอยู่เรื่อยตีท้ายครัวพระเจ้าพรหมทัตนะแอบเสพระเรืองไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้อะไรเราเป็ลูกคุ คุฑจะเหาะไปไหนมันไปด้วยหมดครุฑจะไปเมืองชิมพลีเข้าไปยอดสุดไหนมันก็ไปด้วยมาเมืองมนุษย์มาเมืองนรกพรามมา่านยอมมบานอะไรมันก็มาด้วยหมดเนีอธิบายง่า ย, ายๆไปฟังเรื่องพระยาคุฑกับคนทันก็พระยาครุฑหรือเจ้าพรหมทัตพอไปอยู่เมืองชิมพลีก็เป็นเจ้าพรหมทัตใหญ่เป็นเจ้าครองกรุงของตนเองอย่างเต็มที่ จะไปที่ไหนๆๆๆ ๆ, ๆก็ไปด้วยฤทธิดเดชนะเป็นพญาครุฑหน่อเฮินเดินน้าดำดินอะไรไปคนทานนี้ไปหมดเลยดีไม่ดีพญาครุฑไม่อยู่แอบเสพเป็นชู ก, ก, ากากีเมียพญาครุฑเนี่ยมันแอบเสพตีแท้ครัวนีเป็นต้นมันก็แอบเสพไปหมดเลยติมันก็คือทำลายสิ่งรักนางแก้วนางดวงใจของตนเองทำลายตนเองที่จริงพญาครุฑก็คือตนเอง ทนทันก็คือตอนเองนางแก้วก็คือตอนเองสิ่งที่เป็นของดีของตอนเองคือนางแก้วคือกากีแต่กากีระวังใจสองอีกแหละดีไม่ดีก็ไปเอาใจบอกให้คบกับชูดีกว่าว่าเนี่ยมันมทรยศตัวตัวเองเสร็จแล้วก็แอบเสฟตัวเองกับชูนี่มันขบฏ เอาละขยายนิทานกันมันจะมากอีกอพวกเราเข้าใจได้พวกเราภูมิพวกเราขยายไม่ต้องให้อัตมาขยายนิทานพวกนี้ก็ได้เอาละหกพงครึ่งแล้วอัตมาก็สรุปมาถึง ก, กรรมกริยาการงานกับกิริยาการงานการงานคือการสร้างสรรค์บทบาทเนี่ยมันต้องทำการงานเพราะว่าสังคมเศรษฐกิจก็ดีสังคมอะไรก็ได้ก็ตามมันวัตถุดิบทรัพยากรอะไรมันหมดแล้ว มันพร่องมันไม่ไหวแล้วเราก็พึ่งตนได้อัตมาว่าอโศกไปรอดถ้าจะทําการงานแต่แค่ไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องเผื่อแผ่ใครและตัวเองก็ไม่ต้องเจริญขึ้นเจริญเท่านี้ทุกคนไม่ต้องเจริญกว่านี้ไปรอดแล้วอโศกไปรอดอัตมาเชื่อกินได้เท่านี้มักน้อยสนโดษเท่านี้ได้อย่างที่พวกคุณเป็นขณะนี้นะอัตมาว่ารอดอ่ แต่มันไม่ควรจะไว้ใจตัวเองอาจจะสกัดกดข่มไว้เท่านั้นสักวันนึงมันอัดอั้นมันขึ้นมามันไม่ได้เพราะงั้นเผื่อพอเจริญไปเถอะมันมีแต่เจริญไม่มีที่สิ้นสุดน่นมันดีขัดเกลาไปสร้างสรรค์ไปแล้วก็พัฒนากรรมกิยาปฏิบัติหลักมรรคหรือว่าหลักโพธิปัจจิยธรรมโพชฌงเจ็มรรคองแปดของเราเนี่ยให้มันเป็นกรรมกิยาเป็นความสนิทเนียนคล่องแฉ่วชำนาญในโพธิปัจจิยธรรม4578 มีสติประฐานสมีสมปรปทาน4มีอิทธิบาท4พัฒนาไปเลยเดินบทให้มีโพชฌงประกอบแล้วก็ทําให้ครบมรคขังคะให้ครบองค์มรคอินทรีย์พะละอินทรีย์5พะละหก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นการงานที่พิสูจน์ได้ข้างนอกก็จะเจริญทั้งการงานทั้งอาชีพจะเป็นสัมมาอาชีพจะเป็นอาชีพหลักที่เราเน้นอยู่แล้วว่าเราจะทําอาชีพอะไรกันที่เราเลือก เราตกลงกันมีมติกันแล้วเราก็พัฒนาอันนี้มันใกล้ตัวแล้วมันเป็นเครื่องอาศัยที่สาคัญแล้วเราจะต้องช่วยโลกเขาด้วยโลกเขาก็ขาดแคลนเขาจะไปเก่งในเรื่องที่จะไปออกโรงดาวพระอังคารช่างเขาก่อนให้เขาคิดไปเถอะเขาจะไปเก่งในทำแสงสีดิสโก้เทคอะไรอะไรให้เขาเก่งไปก่อนอ่าแล้วเขาราจะไปทำอะไรที่มันมีเยอะแยะที่มันนอกเรื่องนอกราว มันไกลมันก็ถ้าจะว่ามันก็เป็นประโยชน์ก็มันห่างมันประโยชน์ได้เหมือนกันคิดถึงประโยชน์มันก็พูดถึงได้เราเอาที่เน้นเข้ามาที่จุดสําคัญสัก่อนเห็นทิศทางแน่นอนอาตมาว่าอาตมามองเห็นยิงพากันมาเน้นตรงนี้เน้นสร้างเป็นประโยชน์ตนไม่ใช่ตนเท่านั้นบอกแล้วว่าตนนี่พวกเราได้พอพอเป็นไปอาตมาว่าอัศศกรอดตัวได้แต่ต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ ยอมเขาจะได้เห็นดีแล้วเขาก็จะได้สนับสนุนหรือเขาก็จะได้เอาตัวเขาเข้ามาพัฒนาต่อส่งลูกส่งหลานมาต่อตัวเขาก็เข้ามาต่อสิ่งเหล่านี้จึงจะขยายออกไปถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ขยายออกไปอยู่แค่นี้มันก็ช่วยโลกไม่ได้บอกแล้วว่าแม้แต่แค่อโศกกับ60ิล้านคนในประเทศไทยเนี่ยเรายังทวงดุลก็ไม่ไหวเลยเพราะต้องทวงดุลให้ทั้งประเทศเนี่ยพอได้ พอประเทศไทยทวงดุลได้มีรูปธรรม ท, ที่สมบูรณ์มันจะไปทวงดุลประเทศอื่นและมันก็จะช่วยประเทศอื่นมวลมนุษยชาติมันก็จะได้รับสัจธรรมพวกนี้ช่วยเหลือไปได้ต่อไปบอกแล้วว่าอาโศกไม่ได้ยูกแคบแคบอาตมาพูดมาแ ต, แต่ต้นไม่ใช่เพิ่อหมดตังอโศกเพื่อไม่ใช่ว่าอาโศกในเพื่อประเทศไทยอาตมายังไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยไม่เคยพูดว่า อาศอเพื่อประเทศไทยเท่านั้นแต่เพื่อประเทศไทยแน่กรรมกริยาอาตมาอาตมาไม่ได้เหอนอกประเทศใครเห็นใครรับรองอาตมาได้ว่าอาตมาไม่ได้ไปกะดีกระดาอยากใหญ่อยากกว้างอยากอาศัยอิทธิพลข้างนอกอาตมาไม่ไม่ได้อยากแต่ถ้ามันจะมาโดยทําอาตมาไม่ได้ไปห้ามแต่อาตมาก็ทําตามที่ควรจุดเน้นก็อาตมาทําที่ประเทศไทยนี่แหละทําที่หมู่ที่อาตมามีพลังงานจะสามารถทําได้เท่าที่ ประเมินประมาณแล้วไม่ได้อ้าขาพะวาปีกไม่ได้มกักมากมากัมกใหญ่อะไรเกินการเลยอาตมาว่าอาตมา ม, มีภูมิปัญญาเข้าใจความมากักมากมากัมกใหญ่เกินตัวเนี่ยอยู่พอสมควรเพราะนั้นธรรมนี่ไปเถอะเจตนานรทำถ้ามันใหญ่ขึ้นไปได้ก็ย้ายเขาจะมาให้กว้างให้ขวางถ้าเรารับได้ก็เอาเขยายไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเจริญได้ด้วยกรรมทั้งตนเองและผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ช่วยตนช่วยโลกทั้งโลกแหมวันนี้ใหญ่ช่วยโลกทั้งโลกเลยใหญ่ฟังคำนี้คำสุดท้ายแล้วใหญ่แต่ต้องทำนัก็ขอให้ทุกๆคนภาคเพียรขึ้นเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เราจะมารวมกันในข่าวสุขควรอะไรอะไรพรักพร้อมกันให้ดีความพรั่งพร้อมความสามคัคคีสัพเพสังสังคภูตานังสามคัคคีวุท ธ, ธิสาธิกา ความพร้อมเพียงของชนเป็นหมู่ผู้เป็นหมู่ย่อมยังประโยชน์สําเร็จทุกประการได้สัพเพสังสังขภูตานังสามคีวุฒิสาธิกาจะทําความเจริญทุกอย่างได้สําเร็จด้วยความพร้อมเพียงนี้จริงๆนี่เป็นคํา ตัดพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นจริงเลยนะเอาพระบาลี ม, มากำหนดพระบาลีมหมวดนี้อาตมาจําได้มาตั้งแต่เป็นคารวะตั้งแต่เป็นนักเรียนสัพเพสังสังคะพูตานังสามัคคีวิธิสาธิการไม่ใช่มาจําได้ตอนนี้ไม่ได้มาดูตอนนี้หรอกอันนี้ได้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนอะไรไม่รู้มาถึงใดใดได้แต่จําเป็นจํามาได้แล้วก็ได้มาตั้งแต่โนู้นแต่ไหนแต่ไห น, ไ, ห น, ไ, หนไกลมานานแล้วนะวเพราะเรื่องนี้สาคัญมาถึงตรงนี้แล้วต้องขอให้เป็นเรื่องของ สามคัคคีทำเขาหมู่มวลอสศงเนี่ยร่วมกันพร้อมเพียงสร้างสรรค์ช่วยกันทําสารณียธรรมและกเกจิประการตั้งแต่ระลึกถึงกันรักกันเคารพกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่วิวาดกันพร้อมเพียงกันสามคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้สมบูรณ์บริบูรณ์เถ อ, อะสำหรับวันนี้พอ